ไม่ต้องปนมือก็ได้นั่งตามสบายเอาเอาสบายว่าเอาเอาสะดวกว่าเนาะแต่อย่าอย่าไปคุยกันนะมันมันไม่ใช่เวลาคุยกันคือมีคนพูดมันต้องมีคนฟังไม่ใช่ต่างคนต่างพูดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ช่วงต้นเดือนเริ่มต้นจากต้นเดือนที่ผ่านมาประกอเกี่ยวข้องกับคนตายเยอะมากเป็นตั้งเวลานี้วันที่เก้าแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับคนตายดังนั้นเราจะเห็นว่าความตาย เพื่อปลาทางคือจุดหมายคือบ้านหลังสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องมีต้องเป็นต้องเกิดขึ้นเรื่องบุคคลไม่ประมาณในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของผู้เราก็ให้รลึกนึกถึงอยู่เสมอเรียกว่าอนุสติคือเป็นเครื่องที่เราจะต้องระลึกนึกถึงในชีวิตประจําวันเพื่อ ใ, ใจของเราได้ เป็นพวไม่ประมาทในชีวิตในวัยโดยมันเพื่อคือเพื่อให้เข้าใจจองกันทำลายว่าเราไม่ตายง่ายๆเรื่องเบื้องต้นสิ่งพู้เช่ฝากเอาไว้มันเป็นตลาดตำราครูบราอาจารย์ขอแรกก็คือพุทธานุสติโดยกรรมฐานสีหนึ่งในกรรมฐานสีอย่างก็คือพุทธานุสติ ก็สิ่งที่เรารับไปจีิงๆูทังสันนันะชามินั่นเองว่าทําไมต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเราพุทธานุสติเพราะพระพุทธเจ้านี่ที่เราเรียกเป็นศาสดาของเทวดาเรามนุษย์ทั้งหลายแต่เป็นภาษาพวกเราตอนนี้คือเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกนั้นไม่ว่าจะเรื่อง ฐานะทางสังคมางการศึกษาเรื่องอื่นๆพูทเจ้าไม่น้อยหน้าใครในพระคือฐานะทางสังคมเป็นราชาหมากัร์จักรพัฒิ์ทางการศึกษาพวกเรียนก็น่าจะบอกวันเยอะกับพวกเราในยุคนี้18แปดสาขาศิลปะวิทยาเรียนมาหมดทั้งทางโลกและทางธรรมในผุ้ธฐานเด็ดหลังจากนั้น หลวงก็หารหลังในะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก่อนวัยอันควรที่ที่พวกเราเรียกว่าเกษียณคือปลดระวางนั่นแหละเขาไม่ใช่แล้วหมดอายุแล้วถ้าเป็นอาชีพอื่นเช่นท่านที่พากษาอายการศาลท่านจะต่ อ, อายุหน่อยเจ็ดสิบเจดสิบกว่าแต่ถ้าเป็นทั่วไปก็หกสิบเขาก็ปลดระวางแล้วหมดวันละฤกษ์กัเนเอง เดี๋ยวผู้จ้งเราเนี่ไปก็ยี่สิบเก้าท่าทางหลักในสิ่งเหล่านี่ทั้งหมดด้วยการเข้าป่ามันทําไมถึงบอกผู้จ้างขงเราเป็นบุคคลต้นแบบก็คือหนึ่งผู้จ้งเราเกิดในป่าเป็นประชาชนนะศึกษในป่าเรียนรู้ความจริงในป่าแล้วก็ตายภาษาเราง่ายๆก็าาตายในป่าเผาในป่าเรือว่าเป็นผ้าป่าที่แท้จริงผู้จ้างขง ก็เป็นตนแบบพระป่าในสมัยปัจจุบันนี้เนียยพุท ธ, ธา น, นติตรนอกแกนั้นตลอดระยะเวลาสี่สิบ้าพันปาที่บ่งองค์มาเป็นพุธกิจก็ทาตนคือเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายคือทำตนให้เป็นประโยชน์คือหนึ่งก็คือสิ่งทำไมต้องบเชื่อพระเจ้าบอกพูะเจ้านั้นท่านพูดเดี่ยวความจริงก็เอาความจริงมาพูดถึงแม้ ความจริงอันนั้นจะเป็นที่ยอมรับไม่ยังรักของคนทั่วไปก็ต่างถ้าก็เอาความจริงมาเผยแพผ่มาพูดนี่คือลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงที่ว่านั้นก็เป็นประโยชน์ไม่ไปโทษกับผู้ใดประการสุดท้ายก็คือสอนพวกเรามีสติให้อยู่กับปัจจุบันนี่คือพุทธานุสติเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของพวกเราไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นทุกวนันก็คือพุทธานุสติธรรมานุสังฆานุสตินี้เอง ไม่ได้มากภาเพียงแต่พลานาเราสวดเกณนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็อนเดียวกันแต่ก็จะยองง่อลงหน่อยในคำพลานาเพราะยในในเนื้อหาสาระของพุทธคุณหรือพุทธานุสตินั้นถือว่าเป็นสาระได้เป็นประโยชน์ถ้าเราอบรมใจโกคือน้อมละตัวเองทุกวันมันก็จะเป็นประโยชน์จางมากในการดำรงชีวิตเพป็ะนั้นเมื่อเราถือพระพุเจ้าเป็นหลักคือพุทธังสนังกัชานี้แล้ว ให้พวกเราศึกษาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าโดยการยึดพระจริยวัดี่พระองค์ปฏิบัติต่อเวนัสสัตต์ต่อลูกศิลปลกหาถ้าเป็นภาษาลองง่ายๆอย่างเนี้ยตทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่ทั้งโลกท่านปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ทางธรรมท่านปฏิบัติตัวอย่างไรตลอดเวลาจนสุดท้ายเวราของพระพุทธเจ้าเองอ่ะอยู่ได้ัึงแปดสิบพรรษาคือแปดสิบปี ถ้ากรเจ้าคุราไปในวัยแค่8ปดสิบปีส่วนคุยายของเราต้องแปดสิบเจ็ดก็ถือว่ากำไรเกินพุทธเจ้าถือว่ากำไรแล้วเนื้อพุท ธ, ธานุสติสองก็คือเมตตาเป็นเรื่องใหญ่ไม่นั้นหลังจากเราไหวพระสวดมนต์เดี๋ยววัชเช้าทวัชววเย็นเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเมตตา แผ่เมตตาอ่างสุกิโตคย น, นี่นะนี่คือหลักที่เราทําำทุบไม่ได้ทําไปเรื่อยเปือยทาแบบมีหลักการที่ปฏิบัติต่อๆกันมาแผ่เมตตาแผ่เมตตาที่ถัวต้องก็คือเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนแผ่เมตตาให้ตัวเองแปลว่าอะไรคือทําตัวเองให้มีเมตาก่อนแ่้วเขาเอาเมตตาให้คนอื่นหรือค่อยแผ่ให้เมตตาคนอื่นหลักการง่ายๆก็เหมือนกับ ก่อนที่เราจะหาสตังหรือเอาสตังให้คนอื่นเขาเราต้องมีสตังในกระเป๋าก่อนแล้วค่อยเท่าคนื่นเดือดร้อนจะเอาสตังเนี้ยเอาไปใช้เหมือนกันแม่ตาก็เหมือนกันคือตัวเองต้องจิตใจเป็นผู้คุณมีแม่ตาก่อนแล้วถึงจะแพ้แม่ตาหรือเอาแม่ตาที่ตัวเองมีอยู่เนี้ยยืบยื่อให้คนอื่นเขาเรียหลักแม่ตาเรียกสัพเพสัตาคือสัตว์ทั้งหลายนี่มีที่สุดไม่มีประมาง นี่นกำลังเมตตาทวันนี้ถ้าคนที่ขาดเมตตาปราศจากเมตตาก็เดือดร้อนเดือดร้อนก็หาความยุติธรรมนั้นก็หาความยุติธรรมก็คือเนี้ยคือเราขากันไปขากันมาเดือดร้อนตักเล็กข่วยน้อยเพราะนั้นบนตน้นเดินมีบอกว่าสิบห้าเนี้ยจะเป็นตัวได้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดไใ้ชีวิตจำบันตำรวจทหารอายการก็จะไม่เดือดร้อนบนการคือกระบวนการยุติธรรม คงขาดงานอะตกงานตำรวจคงจะตกงานเพราะทนายอีการท่านได้ป ร, รึกษาแล้วตกงานแน่นอนถ้าสินห้าเราครบเพราะมันมีคือความไม่รู้จะไปขึ้นโรงพิสานไม่ยู้จะตัดสินยังไงไม่รู้จะไปสืบสวนสอบสวนพิจารณาตัดสินกันยังไงเห็นไหมนี่คืออานที่สองคำว่าสินห้าแค่ห้าข้อทาราโอปารายโกคือน้อมเอาไปใช่จริงจร สิ่งหา้าข้อข้อแรกปานาติปาตาเห็นไหมถ้าคนมีเมตตาเนะี่ยมันทําร้ายทําลายกันได้ไหมนะที่มันทาร้ายกันได้ก็เพราะปานาติปาตาเนี่ยแหละเด็กสิบสี่ขวบไม่กี่วันนี้ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรก็วันนี้ก็ปนาติปาตาคือเมตตาเนี่ยแหละแสดงว่าเสื่งนี้เป็นเรื่องใหญ่เมตไม่เมตตาต่อตัเองเมตตาต่อผู้อื่นยิ่งทําอะไรได้ตามเผยใจก็เดือดร้อนอกวนการยุติธรรม สืบสวสอบสวนพิจารณาตัดสินก็วางขั้นไปตามกระบวนการหรือกระบวนการยุติธรรมนี่นั่ค น, นคือข้อที่สองข้อที่สามคือเราอาจจะไม่เรียงแต่ลำดับก็ได้ก็คือเรื่องนี้สำหรับฆราวาสเดียวอาจจะไม่ค่อยชินนักปฏิบัติจะต้เข้าใจก็คือเรื่องของสวยความงานความรูปร่างกายทาสี่กันห้านี้ เราอยกเข้าใจว่ามันเป็นความสวยของงามบูชาของเราบอกว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้สวยของงามถ้ามันสวยมันงามจริงลองไมีอาบน้ําไม่แปรงฟันสามวันห้าวันเจดวันลองดูผมเเพ้วทั้งหลายแหลงมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นความจริงคืออสุภะเพราะฉะนั้นคนที่บวชพระก่อนที่บวชพระ พระอุปชาที่ต้องบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรียกว่ากรรมฐานน้ฮะท่านก็นจะบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่สะอาดนะเริ่มต้นจากผมคือ้อนต้นเต่หัไวจรดเท้าผมถ้าปล่อยธรรมชาติเราเราไม่ทำอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นขนเล็บฟันคือปากเนี่ยหนังคือผิวหนังที่เาหุ้มร่างกายเนี้ ถ้าเราไม่ชมาําระความสกปรปกเรียกว่าอสุภะมันก็จะปรากฏนั่นแต่เราไม่ได้วองตรงนี้นี่ยอย่างนี้เขาบอกกรรมาฐานคืองานนการของใจแต่เราก็มองไม่เห็นเหมือนคุญยายตอนนี้คุญยาระดาตอนนี้มีใครอยากเข้าใกล้มีใครอยากเห็นนี่คือสภาวะอสุภะแต่ว่าคุญยายของเราตอนนี้ก็คือสภาพก็คือ ดินน้ำไฟลมน้ำก็ทำอะไรไม่ได้ดินไฟหมดแล้วตอนนี้คุณยายเย็นลมคุณยายก็ไม่มีแล้วอันนี้คือสาภาพหรือราาพ่าสภาวะดินน้ำไฟลมมีแค่นี้มีแค่สี่กองก็ดินน้ำไฟลมนักอันนี้คือรูปสวดขัน ขันห้าคือเวทนาจัญญาตั้งขัง้นจญญาณนี่นีคือนามมันก็มีแค่นี้ตอนใ น, น ค, คุณยาก็เหลือแต่ได้ชื่อรัท ด, ดาวิสุธิพงก็เหลือแต่ชื่อเท่านี้คือนามชื่อคือนามอันนี้คือธรรมชาติคือรูปกับนามถ้ายก็เหลือแค่นี้สรุปสั้นๆง่ายๆยยอะๆอันนี้อกสารตัวที่สี่ก็คือความตาย ไอพิจารณญอยู่เส ม, มอว่าทุกคนปลายทางของพวเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ที่ท้ายวันหนึ่งก็จะต้องนอนยาวอย่างนี้แหละด้านในโบราณทตอนนี้บอกว่าเวลา น, นอนเนี่ยหัวกับเท้าเส ม, มอกันมันทําอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวสภาพเรากลับไปบ้านเหมือนกันแต่ว่าคุณยายตอนนี้สภาพคุณยายตอนนี้ภาษาโบราณเรียกว่าคนหมดบุญจริงจริงมันไม่ใช่หมดบุญอย่างเดียวหมดบาปด้วยคือ ไม่สามารถที่ทําบุญทําบาปได้แล้วเพรเดียวคนหมดบุญส่วนพวกเรายังมีบุญก็ยังมีโอกาสได้ทําบุญและที่กำคัญการได้ทาบาปเนี่ยก็ต้องระันระวังเราบุญกับบาปทีนี้บุญกับบาปสองอย่างเนี้ยน้ําหนักจะไปทางไหนขาวกับดําอันไหนมันเยอะกว่ากันมันก็จะไปทางนั้นน้ําหนักก็จิตก็จะไปทางนั้น ว่าตอนนี้คุณยายไม่มีจิตแล้วนะจิตไม่อยู่กับตัวแล้วนะคุณยายที่เราเรียกว่าตายคือจิตพอออกจากร่างแต่จริงจิตมันไม่เคยตายจิตมันไม่ได้ตายที่เราเรียกว่าตายคือธาตุสี่ันห้านี่มันหยุดทำภาระหน้าที่เขามันหมดมันแยกย้ายกันไปเราก็เรียกว่าตายแต่จิตมันไม่ได้ตายจิตมันไปต่อนี่ไปไหนทีนี้ก็ไปกันในดําในขาวนี่แหละคลที่พาไปหนักไปทางไหน เขาไปทางนั้นแล้วประกาศุท้ายคือมรณานุสติรู้ึกถึงคมตายบ้างอย่างที่อมาเราตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวข้องคนตายเกี่ยวข้อคนเจ็บเกี่คนป่วยโดยเพราะคือป่วยหนักๆกราไปเยี่ยมไปดูไปทำข่าวทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดเกี่ยวข้อคนตายในหลวงของเราก็สวรรคตเดือนนี้แล้วกเราจําได้ว่าที่สิ้นสายนี่เครบรอบ วันสวรรค์ก็คุณนายหลวงพวกเราในหวงรักเก้าเพตาะนั้นคุณยายก็ตายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามความตายมีทุกวันมีทุกเดือนมีทุกปีไม่มีวันไหนที่ไม่มีคนตายไม่มีวันไหนที่ไม่มีคนเกิดแต่ว่ามันไม่อยู่ในความคิดของพวกเราตอนนั้นเองจริงแล้วเกิดทุกวันตายทุกวันไม่มีเลยวันไหนไม่เกิดมันนี้ไม่ตายไม่มีแต่ว่าเราไม่อยู่ในความคิดของพวกเราเพราะว่า เราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกิดเรื่องสองเรื่องตายมีแค่นี้แหละมีเกิดกับตายผู้เจ้าก็สอนแบบนี้แหละสอนการเกิดสอนการตายให้เห็นโดยเฉพาะคีอตั้งแต่เกิดจนตายเป็นกระบวนการตั้งแต่เกิดจนตายก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเราเกิดเรียวชาติอะไรก็ฝ่ายเกิด ตายหรือว่าไฟดับเลยเขาเกิดดับเกิดดับเหมือนจิตของพเราสภาวะของจิตของเราทุกคนเป็นอย่างนี้มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดกุศลเกิดอกุศลทุกเวลาแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราได้สังเกตเห็นกียรอาการของจิตของเราว่าตอนนี้จิตของเราเป็นกุศลคือฉลาด จิตของเราเป็นอากุศลไม่ฉลาดการกระทําก็เป็นไปนตามอาการานั้นมือคนที่ไม่ฉลาดมันก็ทําในโง่พวกง่า ย, ยาเพราะว่าคำตรงกัข้ามกับคาฉลาดคือโง่มันจะทำตรงกันข้ามกันเพราะมันไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดเป็กุศลธรรมมาจิตมันเป็นกุศลจิตมันฉลาดมันก็ทําเรื่องที่มันฉลาดส่วนจิตที่มันโง่โง่คิดอะไรไม่ได้เลยก็ทำทุกเร่ในโง่โง่เพราะนั้น ปรับครั้งแรกก็ปรับเต็มหัวโจรสเท้าเหมือนกันปรับความคิดของตัวเองในแต่ละวันปรับคําพูดปรับการกระทําหรือว่าพฤติกรรมทางกายซึ่งสามอย่างเหล่านี้เราเรียกสั้นๆทางศาสนาว่ากรรมกรรมเกิจะกสามอย่างกันนี้ไม่มากไปกว่ น, นี้เพราะฉะนั้นเราจะแก้กรรมก็แค่สามเรื่องกันนี้แก้ความคิดของตัวเองถ้าคิดไปดีกแก้ให้มันดี แก้กับพวกขอตัวเองพูดไม่ดีก็แก้ใครมันดีแก้การทางของเราตัวเองแต่รู้มันทําไม่ดีก็อย่าไปทําทางดีแค่นี้เองการแก้กรรมไม่ได้แยคนอื่นแก้ไปวันนั้นวันนี้มันรุมปู่หลวงตาพลนมาขาดตะมณต่อเทียนจะเอกเขาะจะดอกชกระต่างมันไม่ใช่ทางพระเจ้าไม่ได้สอนมือพระเจ้าไม่ได้สอนเราไปจํเทาไหร่มาอันนี้ก็เราไปทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนมันอยากพวกเราทัุนหลาได้สํานึกสำเนีบโดยว่องยิงพุทธานุสติ การระลึกถึงคุณของผูช้ชาอยู่เสมอว่าผู้าแบบเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างของพวกเราผู้ชายของเราเป็นทางผู้แนะเป็นำทางผู้นำคือแนะได้นำได้แต่คนเราทั่วนันแนะได้แต่ทำไม่ได้เมียเราแนะนำได้แน่นเนี้จะนำไม่ได้คือทำไม่ได้แต่ผู้ชายเป็นทางผู้แนะแล้วก็ผู้นำของพวกเรา ผู้นำท่านทั้งหลายตราเป็ผู้นําที่ดีที่สุดในโลกแต่เราไม่ได้เป็นผู้ตามคือไม่เด็กตามผู้ศิเจ้าผู้เจ้าท่านก็ไปองค์เดียวของท่านโดยไม่มีใครตามเลยคนที่เดินไปคนเดียวโ ด, ดดโน ด, ด, ดไม่ว่าจะเป็นผู้นําในฐานะใดก็ตามผู้นําบ้านเมืองแต่ขุยบ้านกำนันอำเภอจังหวัดตแต่แม้แต่นายกเป็นไป เกียวผู้นำแต่นี้ไม่มีใครตามท่านเลยนระเทศเรียกผู้นำได้ไหมเดินไปคนเดียวโดดๆเนี่ยแล้วไม่มีใครตามหลังเลยเนยะเรียกผู้นำได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทเจ้าของเราเป็นผู้นำที่ดีเป็นผูนี้ที่ดีแต่เราไม่ตามเลย ท, เท่านก็ไปอยู่เดียวท่านเหมือนตอนเนี้สุขโตไปดีแล้วแต่เราไม่ตามเลยสองพันกว่าปีมาแล้วนะพูดอย่างนี้นั่นอย่างนี้นั่งอย่างนี้ เราก็ยังเชื่อเชก็อยู่เหมือนันอะไรเกิดขึ้นตายแล้วตายแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วล้มแล้วล้มแล้ ว, ลล ว, ลล ว, ลลวเกิดแล้วเกิดแล้วเราก็ยังคิดไม่ได้เพระนั้นค่าคืนวันนี้ถือเป็นโอกาสเป็นเวลาที่พวกเราทั้งหลายได้โอภณะยโกได้มารู้ไม่เห็นได้มาปรองธรรมสังเวทคือความสล ط, ดโอทูลในใจเกิดขึ้นจึงทลายทั้งปวงที่เราคิดตามมาคือเราจะมาที่คิดได้นึกได้ว่าเออวันหนึ่งเราก็จะตกใจสภาพของคุณยายดั น, นั้นเพื่อวันนี้ ให้ประโยชน์เกิดสาระสูงสุดก็คือพยายามพูดถึงคุณยายบ่อยๆเื่อพวกเราจะได้รู้ได้เห็นแต่โดยเฉพาะคือเป็นต้นแบบเป็นผู้นําอย่างที่เราปฏิบัติเป็นประจำนั่นก็คือพูดทางธรรมบังสางสนังน ก, กชานี้นี่คือพระรัตนใจทั้งสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเดียวของพวกเราทั้งหลายถ้าขาดสิ่งเหล่านี้สามอย่างนี้ที่พึ่งอื่นไม่มีเลยสมบัติพระสถานทั้งหมดมันไม่ใช่ของเรา เหมือนคุณยายตอนนี้ต่อให้คุณยายรวยเป็นร้อยล้านพันล้านตอนนี้ทำอะไรได้ม้างกับสมบัติพัสดุสานเหล่านั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นใช้ให้มันคุ้มค่าให้มันเกิดประโยชน์ทําตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากตัวเองด้วยจีเรลเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นดังเช่นพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นมาเพื่อ เป็นที่พึ้นความสัตร์หลายตัวท่านเองก็ทําประโยชน์ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์จากพระองค์ท่านอยากให้พวกเราเอาตอนนี้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างคือทําตัวเองให้เป็นประโยชน์ก่อนแล้วก็ให้ผู้อื่นรับประโยชน์จากตัวเองด้วยที่สําคัญคือไม่ทําประโยชน์ไม้เป็นไรอย่าทําให้เป็นโทษให้นคุณเข้าไว้อย่าทําเกิดโทษะดันวันนี้เราพร่วม ง, งานมาเป็นกุศลศพของคุณยาย รดาวิสุทธิพงศอายุแปวันเร็ดแล้วอันนี้เป็นคืนที่สองคืนสุดท้ายจะภาพในวันนี้คุณอนัญ ญ, ญาสุโภทยัยคุณพิระชูชื่นคุณอภาวีสุโภทัยพร้อมครอบครัวคุ ณ, พพคณมมสุเมศสุโภทยัยคุณกันชูชื่นลูกหลานญาติพี่น้องกัลยาณมิตรทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพพวราต้องถึงคุณความดีของคุณยายในวันนี้หวัอาางอย่างยิ่งว่าความดีที่เราตั้งบวาเป็นแต่ตั้งแต่ต้นคือ ก็ถึงวรรณาใจสองเป็นคนมีศินสามก็ตั้งเกฟังเกิดปัญญาอันนี้คือใจสิกขาที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะ น, นิสง์แห่งการใจสิกขาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดก็คือไปพระสมาทานสินคือใจเป็นพระตัวเองมีศินแล้วก็เกิดปัญญาในวันนี้จึงเป็นพระละปะัจจัยถึงแต่คุณยายพูดรองรับไปแล้วอคุณยายรับรู้รับทราบก็คงจะอนุโมทนาความดีของเราทั้งหลายในวันนี้ คน ท, ทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญอยู่บนโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมก็อทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด